กันพู้อะไรจะไปหาเพื่อนในโรงพยาบาลศูนย์คอนแก่นนั่นีอนะใหญ่ไปจากน้องบัวลำพูน่ยตะกรก็เป็นรองผออยู่ศูนย์อุดรของเราแล้วก็ย้ายเป็นผอนองบัวลำพูแล้วก็กระโดดขึ้นไปเป็นผอโรงพยาบาลศูนย์คอนแก่นเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งเชื่อกันน่ะ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 ถ้าเราไปตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าแล้วนะ่ยคือบัณฑิตนักปราชญ์นะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะให้เดินตามแนวแถวของบัณฑิตนักปราชญ์คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเลิศประเสริฐนะถ้าตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานําสมาทานศินนะโมตัสสะปะกวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 ถ้าหลวงพ่ออยู่องเดียวคณะสัตาญาติโจ ม, มาหลวงพ่ออยู่องเดียวถวายเพียงแค่นี้ก็พอละล่ะนะแต่นีหลวงพ่ออยู่มีพระตั้งหลายองค์ปีวันนี้ก็มีทั้ง20สแต่ อ, องพุที่ไปเที่ยวอยู่ก็มียังไม่กลับมา20กว่าองค์เกือบ30องค์ในพรรษาก็40 50ห้าองค์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 หามเมล็กในระยะแรกเนี่ยทุกวันนี้กันเนี่ยยังใช้อยู่จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแต่ก่อนหน้า น, นี้ไม่มีถามว่าไม่มีในโรงพยาบาลศูนย์ก้อนแก่นไอศนศูนย์อุดอรโรงพยาบาลศูนย์อุดอรไม่มีถ้าใครจะไปผ่าจะไปสองกล้องเรียว่าปวดท้องเนี่ยก็นู่นไปบำรงราชไปทางโรงพยาบาลกรุงเทพนะที่ ราคาไปสองครั้งหนึ่งก็ประมาณหกหมืนนี่แหละอันนี้หลวงพ่อเห็นแล้วก็น่าจะทำ น, น่าจะเกิดประโยชน์นะแต่หลวงพ่อก็ได้ซื้อให้สองสามปีให้หลังแล้วละ่ะอันนี้มาพูดเอาความเก่ามาพูดนะเอ่อแต่เราถึงยังไงก็ตามเครื่องมือแพทย์เกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อพี่น้องประชาชนอย่างมากมากทีเดียวเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงไม่มองข้ามเรื่องเครื่องมือแพทย์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 คือภาละชนถ้าบัณฑิตนักปราชญ์แล้วจะไม่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้เขาเป็นบัณฑิตคนที่เป็นบัณฑิตเขาจะไม่เบียดเบียนกันถ้าพาละชนแล้วเขาจะเบียดเบียนเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายไม่ต้องวิตกภาละชนแล้วมันทาได้แต่บินบัณฑิตนักปราชญ์แล้วจะทำไม่ได้ต่เพียงแต่คิดอิจฉาเท่านั้นก็นยังไม่ถูกต้องแล้วผิดแล้ว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 ไม่ร่วมสังฆกรรมกับนางโคตมีโคตมีคือพระแม่เลี้ยงพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าประสูตรได้เจ็ดวันนางสิธิมหามายาประสูได้ประสูได้เจ็วันนางสิิมหามายาก็สวรรค์นคตแม่ของพระพุทธเจ้า พ, พูดง่ายง่ายแต่นี้ก็น้องสาวแม่ก็มาเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าจุโถธนะ แต่เน่ก็เลี้ยงดูพระพุทธเจ้าอย่างทนุถนอมต่อมาพระพุทธเจ้าออกทรงทรงผนวดได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่นั้นานางโคจะมีพระแม่เลี้ยงนี่ก็เออเขาลบนับสื้อยิ่งกว่าลูกตัวเองอีก เ, ออเมื่อพระพุทธเจ้าบวชเข้ามาแล้วเนี่ย น, นางภิกษุณีเนี่ยภิกเห็นแต่ภิกษุบวชเนี่ย น, นางภิกษุณีนาง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 ภิกษุณีเกษาโคนางโคตมีเนี่ยไม่มีอุปชาอาจารย์บวชมาด้วยด้วยตนเองรังเกียดแท้นี่ยไม่ลงอุโบสถไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยปุณะไม่ใช่ธรรมดาเนยแต่ตามที่จริงออกจากใครออกจากนางโคตมีเองนะออแต่ลืมลืมกรรมพืชของตัวเองเออแข็งข้อขอ ง, งานททิฏฐินะ่ไม่ใช่ธรรมดานะมากราบทูถพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอ ก, บอกเอ้ยโคตมีเนี่ย